ก็จะเดินในธรรมทุกท่านเนาะเป็นไงธรรมะจะเดินไห ม, มหรือกิเลสจะเดินนะเนี่ยเนี่ยก็ที่จริงนะมันเหมือนเหมือนเราปลูกต้นไม้นะอ่าต้นไม้มันจะเดินงอกงามหรือว่าหญ้ามันจะเดินงอกงามนะ ถ้าน่ะถ้าญาติเจองอกงามนะบางทีก็จะแย่งอาหารนะจากต้นไม้นะจะบังแดดจากต้นไม้นะจะแย่งน้ำนะจากต้นไม้นะต้นไม้ก็ไม่ค่อยโตนะก็แคะแกลนหรือว่าอาจจะตายได้นะแต่ถ้าต้นไม้จเจริญงอกงามนะต้นไม้ก็ อ่ยืดขึ้นมานะยืนเหนืออยู่เหนื อ, อหญ้ า, าจิตใจของเราก็เหมือนกันนะอ่าเราเราฝึกหัดนะให้ธรรมะจะเดินงอกงามขึ้นในใจนะหรือถ้าเราไม่ได้ฝึกหัดเนาะก็กิเลสก็จะงอกงามขึ้นในใจดังนั้นที่จริงการที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยแหละก็คือปฏิบัติเพื่อฝึกให้ธรรมะมันจะเดินงอกงามในใจ แล้วก็อที่จริงการที่เราไม่ได้มาปฏิบัติธรรมหรือว่าคนอื่นไม่ได้มาปฏิบัติธรรมนะแปลไม่ใช่แปลว่าเราจะเสมอตัวนะ <c oughs> ใช่ไหมมันก็คือกิเลสมันก็จะงอกงามขึ้นนะั่นแหละอเหมือนกับพื้นที่ตรงกลางเนะนะเราไม่ปลูกต้นไม้เราไม่ดูแลนะหญ้ามันก็จะมายึดนะ่พื้นที่ตรงนั้นนะมันเกิดงอกงามขึ้น แต่จริงทางโลกหญ้ามันก็มีประโยชน์อยู่นะมันก็ช่วยยึดหน้าดินช่วยหรือว่ามันก็เกิดขึ้นไม่นานนะมันก็ตายไปเป็นเป็นปุ๋ยให้กับพื้นดินนะหรือบางทีมันก็โตสักพักหนึ่งเพื่อบังแดดอนะบังลมให้กับต้นไม้บ้างเป็นพี่เลี้ยงให้กับต้นไม้บ้างที่ยริงหญ้ามันก็มีประโยชน์นะถ้าจะว่าไปนะแต่จิตใจของเราเนี่ยนะ ถ้าเราไม่ได้ฝึกหัดไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยมันจะถูกกิเลสนะมันยึดคองจิตใจนะถูกความโลภนะมายึดคองจิตใจนะถูกความโกรธความหลงนะมายึดคองจิตใจนะจิตใจก็เลยเรียกว่าง่ายที่จะหลงง่ายที่จะโกรธง่ายที่จะโลภนะง่ายที่จะทุกนะง่ายที่จะวิตกกังวล ง่ายที่จะน้อยใจง่ายที่จะเสียใจง่ายที่จะเศร้าเนาะคือจิตใจบางทีถ้าเราไม่ได้ฝึกมันจะง่ายไปทางนั้นนะง่ายไปในทางที่มันจะเป็นทุกข์เนาะแต่ถ้าจิตใจที่ฝึกดีแล้วนะหรือฝึกพยายามฝึกบนะ่อยบ่อยเนาะมันก็เรียกว่ามันก็ง่ายที่จะรู้สึกตัว หรือง่ายที่จะเปลี่ยนจากความหลงนะเป็นความไม่หลงง่ายที่จะเปลี่ยนจากความทุกนะเป็นความไม่ทุกนะอนะมันก็สามารถที่จะฝึกจนทั่งมันเปลี่ยนได้นะมันง่ายขึ้นนะเราฝึกบ่ยบอยๆนะมันก็ง่ายขึ้นเหมือนเราขับรถบ่อยๆนะก็ชำนาญ น, นะในการเลี้ยวในการบังคับรถนะอ่านะ เราใช้คอมพิวเตอร์บ่อยๆเราก็าชำนาญในโปรแกรมต่างๆนะในเครื่องมือต่างๆเนะนี่ยก็คือมันก็มีความง่ายขึ้นการปฏิบัติธรรมก็คือการง่ายที่จะรู้ทันอารมณ์รู้ทันความคิดรู้ทันกายรู้ทันใจเนาะนี่คือธรรมะมันก็จ ะ, จะเจรินงอกงามขึ้นได้ง่ายนะคือการที่เรานะฝึกสติบ่อยๆนี่แหละมันก็จะง่ายที่จะรู้ตัวมากขึ้นนะ แต่บางทีมันก็ไม่ง่ายทั้งหมดหรอกน ะ, นะคนเก่าเองก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายทุกวันง่ายทุกเวลาหรอกนะอย่าไปคิดว่ามันจะต้องดีแล้วมันจะดีตลอดเนา ะ, นะคนใหม่เองนะก็อาจจะอาจจะยากหน่อยในะช่วงแร ก, แรกเพราะว่าบางทีเราอาจจะเคยชินคว่าสตินะภาษาไทยมันมีคำว่าสติแต่สติในทางโลกนะกับสติในทางธรรมเนะี่ยบางที มันไม่เหมือนกันเลยทางโลกเราพูดว่าเราขาดสติคือส่วนใหญ่ก็คือคนเป็นบ้าบ้างนะหรือว่าคนเมาบ้างนะหรือว่าคนที่ป่วยจนหมดสติไปบ้างนะหรือว่าเราลืมสิ่งของนะเราก็ว่าเราขาดสติบ้างสติในทางโลกมันประมาณแบบนั้นนะนะซึ่ง แต่สติในทางธรำเนี่ยที่ว่าขาดสตินี่คือคือการลืมเนื้อลืมตัวนั่นแหละนะเราจะใช้ชีวิตปกตินะแต่จิตใจเราล่องลอยนะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนั่นแหละนะเรียกว่าขาดสตินะจิตใจมันต้องลอยไปอยู่กับความคิดไปอยู่กับอารมณ์นะไปอยู่กับอดีตไปอยู่กับอนาคตนะไปอยู่กับการไปเพ่งดูคนอื่นนะ ไม่ว่าจะดูด้วยความชอบหรือดูด้วยความไม่ชอบนี่คือใจก็ต้องลอยไปอยู่กับตรงนั้นเนาะแต่การมีสติคือการตระหนักรู้ว่าออใจิตใจมันไปไปอยู่ข้างนอกนะไม่ใช่แปลว่าเราจะดูคนอื่นไม่ได้ไม่ว่าไม่ใช่แปลว่าเราจะคิดเรื่องคนอื่นไม่ได้แต่ขณะที่ดูก็ให้ดูอย่างมีสติ ขณะที่คิดก็ให้คิดอย่า ง, ยงมีสตินะในขณะที่รู้ตัวว่าอันนั้นมันถูกหรือผิดเนาะก็ต้องรู้ตัวได้ว่าเออมันก็แค่รู้เฉยๆนะไม่ใช่ไปไปยึดนะ่ะจะเป็นทุกข์นี่คือแต่ถ้าเราขาดสตินะมันจะไปมันจะไปจมเนาะอืมคนนี้ทำไม่ดีคนนี้ทำไม่ถูกนะคนนั้นทำร้ายเราคนนั้นว่าเรานะมันจะมีมันจะเข้าไปเป็นกับ กับอารมณ์เนะแต่การมีสติเนี่ยคือเราจะเห็นอารมณ์นะเราจะเห็นอารมณ์นะแล้วบางครั้งมัน บ, บ, บางทีมันก็จําเป็นต้องใช้อารมณ์ก็มีนะแต่ไม่ได้เป็นอารมณ์นะนะบางครั้งบางคนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูเป็นเจ้านายนะเป็นเจ้าของธุรกิจนะบางทีเราก็ใช้นะ ใช้เหมือนว่าจริงจังเคร่งเครียดนะดุดันนะเพื่อให้เพื่อให้เขาได้เรียนรู้หรือเพื่อให้เขาได้ทาตามสิ่งที่กดระเบียบนะที่จำที่ควรต้องทาบางทีก็ใช้นะอืมไม่ใช่ว่าจใจดีตลอดนะมันก็บางทีก็อาจจะทำให้งานมันเสียก็ได้นะแต่บางทีมันก็อย่างว่านะแต่ละคนก็อาจจะถนัดในการใช้แตกต่างกันบ้างนะ แต่คือบางทีก็คือแต่เราให้เรารู้ทันอารมณ์ของเราก่อนนั่นแหละนะบางทีมันก็อาจาจะจําเป็นต้องใช้ก็ต้องใช้บ้างนะแต่ก็ใช้แบบเรียกว่าเหมือนเหมือนเล่นละครนะใช้เหมือนเป็นสมมุตินะอย่าไปจริงจังกับมันมากนะเพราะจริงแล้วหนะ้าที่หลักของเราคือเนะี่ยการกลับมาดูตัวเราเองนี่แหละนะการกลับมาดูกายดูใจ นี่นี่แหละคือหน้าที่หลักนะเราจะทำอะไรก็แล้วแต่นะกลับมาดูนะมาดูซิว่าตอนนี้กิเลสมันมันมางอกขึ้นในใจหรือเปล่านะนะความโกรธนะมันยังไม่ความโกรธเนี้ยมันถ้าเปรียบเทียบนะเหมือนกับต้นไม้ที่มันใหญ่ละแต่จริงเชื้อของความโกรธนยะมันเริ่มจากความคล้ายๆเหมือนคัดใจนะ ไม่พอใจนะหงุดหงิดนะําคาญไนวันนะให้พูดนี่คือคือหน่อนะคือนะต้นอ่อนนะของความโกรธนะถ้าเรามีสติรู้ทันนะ่ะเราจะเริ่มเห็นตั้งแต่มันรู้สึกขัดขัดใจนะรู้สึกรําคาญนะรู้สึกไม่ค่อยพอใจนะแต่ถ้าเราไม่รู้ทันมันก็จะค่อยๆ่นุกงรามกลายเป็นความโกรธนะ เป็นความเกียดนะเป็นความพยาบาทใช่ไยเนะความโลภก็เหมือนกันนะความโลภนะตัวอ่อนมันก็คืออาจจะเกิดจากความพอใจนะมีความพอใจนะมีความคิดปรุงแต่งทีอ่อยากจะได้มันมานะอยากจะได้มันมาพอคิดมากๆขึ้นมันก็เกิดความอยากมากเนะี่ยต้องเอาให้ได้นะ นะถ้าไม่ได้มันจะเป็นทุกข์เนี่ยนะนี่คือทุกอย่างนะมันมีมันมีหน่ออ่อนของมันอยู่นะแต่ถ้าเรามีสติได้เร็วขึ้นเนี่ยเราจะเห็นตั้งแต่ตอนที่มันเริ่มที่จะจะเดิน ง, งอกงามขึ้นในใจนี่นะสติถ้าเราฝึกได้บ่อยขึ้นสติจะเข้าไปเห็นเห็นกระบวนการปรุงแต่งของอารมณ์ความคิด หรือความรู้สึกต่างๆที่มันเกิดขึ้นในใจเนาะพอเราเห็นแล้วมันก็จะมันก็จะไม่เจริญงอกงามขึ้นนะถ้าเป็นสิ่งที่มันจะนามาซึ้งความทุกข์นะแต่ถ้าบางอย่างมันจำเป็นต้องเอามาใช้งานมาทำงานบางทีก็ปล่อยให้มันเจริญงอกงามแต่เราก็ดูแลมันอยู่ว่าไม่ให้มันมันมาทำให้มันเป็นทุกข์เนาะคือเราก็เห็นว่าเขาต้องคิดนะวงแต่งนะ แต่ต้องวางแผลจะต้องออกแบบจะต้องเจราจาจะต้องเล่นละคร อ, อะไรก็ก็เล่นแบบเออมีสติเป็นผู้กากับอยู่นะดูอารมณ์ของเราอยู่นะอย่างเวลาพูดนะเนะี่ยเราก็พูดอยู่นะแต่พอมันเริ่มจะมันเกินไปเนะี่ยต้องมีสติรู้ทันนะหรือเวลาพูดไปมีใครขัดใจนะเริ่มรู้สึกไม่พอใจขึ้นมาเนะ่ะเราก็ต้องรู้ทันของเรานะอืม บางทีโดยบทบาทหนนะ้าที่ทั้งโลกนะบางทีมันก็ต้องพูดนะต้องดูต้องอ่านต้องฟังนะบางทีเราก็ต้องทํานะอนะแต่ทําแล้วเราก็ต้องมีสติรู้ทันอารมณ์รู้ทันจิตใจของเราด้วยว่าเป็นอย่างไรขณะที่ทําตรงนั้นแต่ก็เชิวงที่เรามาอยู่ที่นี่เนาะก็เป็นโอกาสดีที่เราจะต้องไม่ต้องไม่ต้องพูดมากนะเราพูดมาทั้งชีวิตแล้วนะน่าจะเหนื่อยนะ น่าจะเหนื่อยพอสมควรนะให้คำพูดให้วาจามาได้พักบ้างก็ดีนะเราทางานมาเยอะแล้วนะงานทั้งโลกนะมาอยู่ที่นี่ก็ทำงานนิดนิดหน่อยหน่อยในตอนเช้านะกวาดูอะไรบ้างนะหรือช่วยล้างจานนิดนิดหน่อยหน่อยบ้างแค่นั้นก็พอละเวลาที่เดือเราก็จะได้อยู่กับตัวเราเองมากมากนะ แล้วการที่เราได้อยู่กับตัวเองเยอะๆนะโดยที่ทำงานนิดหน่อยโดยที่แทบไม่ต้องพูดนะหรือพูดคุยเท่าที่จาเป็นจริงๆนะแล้วก็แค่ทากิ จ, จวัตรส่วนตัวแต่ไม่ต้องไปทำแบบประดิษฐ์ประดอยอะไรมากนะก็มันจะทำให้เรามีเวลามาดูตัวเองชัดขึ้นยิ่งเวลาเราไม่พูดนะเราจะเห็นจิตใจที่มันอยากจะพูดนะเราจะเห็น ไอจิตใจข้างในที่มันพูดบ่นอยู่ข้างในนาะอืมแต่แต่ก่อนเนะ่ะบางทีบางคนก็มักจะบ่นออกไปข้างนอกเลยเอเอาคิดปุ๊บก็พูดปั๊บทันทีนะบน่นไม่ใช่แต่บ่นให้ตัวเองฟังหรอกบ่นให้คนอื่นฟังด้วยนะ mm. เขาจะรำคาญไม่รำคาญไม่สนนะฉันอยากจะบน่นเท่านั้นนะอันนี้คือแต่ถ้าเราเห็นจิตใจของเราก็อืมพอเราไม่พูดนะเราก็จะเห็นใจที่มันบน่นนะ ใจที่มันวิเคราะห์ใจที่มันวิพาก์วิจารณ์นะใจที่มันนะพูดอะไรข้างในนะหรือบางทีก็เห็นความอยากนะความอยากที่จะพูดบางทีดูใจ ด, ดีนะโดยเฉพาะคนที่รู้จักกันนะคนที่มาด้วยกันหรือคนที่เคยเห็นกันบ่อยๆนะบางทีพอมองตาปุ๊บนะเออตอนตักอาหารนะ ตอนกินข้าวหรือตอนเดินนะบางทีมันก็ไม่มีเรื่องจะพูดนะแต่ความรู้สึกมันแค่อยากจะพูด ม, มันรู้สึกว่าอือยากจะทักทายกันสักหน่อยอยากจะพูดคุยถาม ส, สารสุก ข, ขสุขดิบกันสักหน่อยอะไรนะ่ะคือมันก็ไม่ใช่แปลว่าเราเป็นคนไม่ดีนะแต่ให้ลองดูว่าให้เรามาฝึกลองเห็นมันว่าอ้อเนี้ยตัวอยากเนาะอยากที่จะ พูดคุยอยากที่จะนั่นนี่นะมันเป็นแบบไหนนะให้เราลองดูมันเนาะอืมถ้าเราดูมันแล้วนะที่จริงก็ต่อไปเดี๋ยวเราก็ได้พูดนั่นแหละนะแต่ตอนนี้ลองฝึกดูดูใจที่มันอยากนะใจที่มันอยากจะพูดคุยนะใจที่มันอยากจะซักถามนะหรือใจที่มันอยากจะพาให้เราไปทำอย่างอื่น บางทีเดินจงกลมนานๆนะมันก็เบื่อนะมันก็ง่วงนะมันก็ไม่เห็นสนุกเลยมันไม่เห็นเบาสบายสงบเลยนะบางทีมันก็ไม่อยากเดินไม่อยากนั่งยกมือนะแต่เรามันก็อยากเราไปทําอย่างอื่นแทนนะเราต้องดูดีนะออจะพึ่งยอมแพ้มันง่ายๆนะกิเลสมันดอกให้เราไปทําอย่างอื่นนะ อย่าไปทำตามมันนะลองอยู่กับมันเนะี่ยนอีทธบทนะในช่วงเวลาที่เราไม่ได้ไปทำกิจเงินะลองอยู่ในอีทียบทการทำในรูปแบบเนนะี่ยมันจะทำให้เหมือนเราได้คล้ายๆดัดนิสัยนะกิเลสนะอถ้าเปรียบเทียบนะเหมือนกับเด็กนะเด็กเวลางองแงนะอยากจะซื้อของอยากจะได้ของนะบางทีพ่อแม่ก็ต้องดัดนิสัยไม่ซื้อ ร้องให้ก็ร้องไปนะดิ้นก็ดิ้นไปนะจะโวยวายก็โวยวายไปนะเราก็ต้องมีเด็กขาดบ้างนะเราก็ต้องชัดเจนบ้างว่าเวลาเนี้ยไม่ใช่เวลาที่จะมาตามใจกิเลสนะอ่าเหมือนเวลาเนี้ยไม่ใช่เวลาที่จะตามใจลูกนะตามใจเด็กนะบางทีเราก็ต้องเด็กขาดกับตัวเองนะเวลาเนี้ยไม่ใช่เวลาไปนอนหลับนะเอ่ นอกจากไม่สบายจริงๆนะก็พักได้นะแต่ถ้ามันอยากนอนเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่าร่างกายไม่สบายนะแต่ใจมันแค่อยากนอนหรือใจมันเบื่อเนี่ยมันอยากไปทำอย่างอื่นนะไม่ใช่ว่ามันเดินไม่ได้นะแต่เพียงแค่มันไม่อยากเดินเนี่ยนี่คือเราต้องรู้ทันตัวนี้ให้ให้ดีๆนะแล้วการที่เรามาทำในรูปแบบเย็นเนี่ยมันเหมือนเป็นการดัดนิสัย แต่ความเคยชินนะที่พอมันเบื่อปุ๊บมันก็ไม่อยากทําปั๊บมันเบื่อปุ๊บมันก็เปลี่ยนไปทําอย่างอื่นปั๊บนะอืมบางทีการเปลี่ยนอารมณ์นะเปลี่ยนอารมณ์บ่อยๆนะบางทีมันเปลี่ยนเพราะหนีอารมณ์หรือเปล่าเนี่ยบางทีเราก็ต้องดูนะบางทีเวลาเราปฏิบัติทำก็เหมือนกันนะเวลาทําน่ะปฏิบัติแป๊บเดียวนะ นั่งแปบเดียวก็อยากจะลุกนะเดินแปบเดียวก็อยากจะนั่งละนะคือบางทีมันเปลี่ยนอารมณ์ไม่บ่อยเราต้องดูนะว่ามันเปลี่ยนด้วยความเบื่อนะแบบนั้นหรือเปล่านะบางทีเราก็ต้องฝืนที่จะทนอยู่กับยบทเดิมเดิมให้มันนานขึ้นสักหน่อยนะค่อยๆฝึกให้มันนานขึ้นแต่ถ้ามันจะเปลี่ยนก็เออมันมันปวดเมื่อยแล้วนะ มันก็ต้องเปลี่ยนบ้างก็ได้นะหรือว่าอยู่ในเอีบนเนี้ยมันจะไม่ไหว น, ะนั่งยกมือลนะมันย ก, ยกไม่ไหวลวมือมันอ่อนนะยกไม่ขึ้นนะเออแบบนั้นก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนเพื่อให้มันได้สร้างสติในรูปแบบอื่นบ้างก็ได้นะแต่ไม่ใช่ว่ามันทาไม่ใช่ว่าแบบว่ามันทำไม่ได้แล้วเราก็เปลี่ยนเลยนะขี้เกียจก็เปลี่ยนแล้วนะเบื่อก็เปลี่ยนแล้วนะ บางทีก็อย่าไปตามใจมันมากนะอย่าไปตามใจกิเลสมันมากนะตามใจกิเลสนะมันจะเคยชินนะเหมือนกับเราตามใจเด็กนะเด็กมันก็เสียคนนะเราเองก็อย่าตามใจตัวเองนะอย่าตามใจตัวเองมากแต่การที่จะไม่ตามใจตัวเองเนี่ยบางทีมันก็ยากมากเพราะตัวเราเองเนี่ยหลอกตัวเราเองเก่งที่สุดเลยโยมคนอื่นหลอกเรานะยังพอรู้ทัน นะนองพอรู้ว่าเขาจะมาหลอกนะแต่ตัวเราเองเนี่ยอกตัวเราเองเนี่ยเนียนมากเลยเหตุผลนี่มันมีเยอะแยะมากมายนะดีนะหลอกให้ทำอย่างงั้นห่อกทนี้มีเหตุผลมีอ่บางคนก็มีงานวิจัยได้ซ้ำนะรองรับนะหลักการเหตุผลถูกต้องอะไรต่างๆนะอืมอย่างเนี้ยโอ้ ปฏิบัติทำนะที่ไหนก็ได้นะเดี๋ยวกลับไปปฏิบัติที่บ้านก็ได้นะอยู่ที่นี่มันเหนื่อยนะก็กลับไปปฏิบัติที่บ้านก็ได้นะสมมตินะปฏิบัติทำรูปแบบไหนก็ได้นะอืมเนีเดี๋ยวเราไปเดินช็อปปิ้งดีกว่านะสมมตินะคือบางทีกิเลสมันก็หลอกเรานะต้องต้องรู้ดีดนะเพราะว่าอืมมัน ตัวเราเองเนี่ยที่หลอกตัวเราเองเนี่ยมันเนียนมากนะเราต้องฝึกให้มันมีสติรู <ouse> ้ทันมันนะมันจะได้หลอกได้น้อยลงนะแต่ไม่ใช่ไปว่ามันจะหลอกเราไม่ได้หลอกมันเก่งมากนะมันหลอกได้นะแต่ถ้าเรามีสติมากขึ้นเนี่ยมันจะหลอกเราได้น้อยลงหลอกเราได้สั้นลงนะมันก็ยังหลอกได้อยู่บ้างนะแต่เพียงว่า พอเรารู้ทันนะแล้วก็อืมไม่หลงกลละนะไม่หลงกลละเนะี่ยคือถ้าเปรียบเหมือนกับนักกีฬานะเออคือพามาก็จะพูดเป็นแบบสายกีฬาเยอะเพราะเด็กๆนี่ชอบกีฬาชอบเล่นกีฬาชอบดูกีฬามนะันเนาะอืมคือเราเห็นนะเวลาเราแข่งนะมันแบบคู่แข่งอ่ะก็ต้องพยายามหลอกเราอนะ่ะอืมแต่ถ้าเรารู้ทันนะเออ เราก็จะดักทางได้นะเราก็จะหลอกเขาคืนบ้างแบบนั้นนะยิ่งถ้าเราพัฒนาตัวเองบ่อยๆนะเขาหลอกเรามานะเราจับทางได้เนี่ยเออเราก็จะไม่หลงกลเขาคือเหมือนเรารู้ทางเขาแต่แรกๆนะเราไม่เก่งหรือเก่งไม่เท่าเขาเราก็ถูกเขาหลอกนั่นแหละจนกรทั่งเรารู้ทันว่าเขาจะหลอกแบบนี้อีกแล้วเขาจะหลอกแบบนี้แล้วเราจับทางได้เนี่ยเออเขาก็หลอกเราได้น้อยลงนะอืา หงกลเขาได้น้อยลงไอ้มาก็รู้สึกว่าปฏิบัติธรรมเหมือนเราเต้นกีฬาเลยนะแต่เป็นการแข่งกันระหว่างตัวรู้กับตัวหลงในใจของเราเนี่แหละนะระหว่างกิเลสนะกับตัวรู้สึกตัวเนี่ยแหละที่มันที่มันหลอกกันที่มันแข่งกันอยู่ข้างในนะเลยบางทีก็เลยพอพอวางใจแบบนี้นะปฏิบัติธรรมมันก็เลยรู้สึกเหมือนสนุกนะ คือมันรู้สึกว่าเหมือนเล่นเกมมันเหมือนรู้สึกว่าเล่นกีฬานะ่ะเหมือนรู้สึกว่าก็เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งในการที่จะฝึกฝนตัวเองเนาะแม้บางทีก็แรกๆก็บางทีก็เหนื่อยท้อนะจากความง่วงจากความสงสัยนะจากความไม่สงบจากอะไรต่างๆนะมันก็มีเหมือนกันนั่นแหละนะึ่งมาว่านะ เราทำงานทางโลกมันก็ต้องผ่านเรื่องพวกนี้เหมือนกันนั่นแหละนะความเหนื่อยความท้อความเครียดนะความไม่ได้ดังใจอะไรต่างๆนะมันมีเหมือนกันนั่นแหละภาวนาเองก็เหมือนกันนะไม่ใช่เราจะภาวนาเพื่อเอาแต่อารมณ์ดีๆนะมาว่าไม่มีวิธีไหนดหอกที่ภาวนาแล้วมันดีตลอดนะอ่อืมถ้ามีคิดว่าคนคงไม่มาภาวนาวิธีอื่นนะั่นแหละ ถ้าไปภาวนาแบบนี้มีแต่สุขตลอดดีตลอดเนี่ยคนก็คงไม่ไปเลือกทางอื่นหลักแต่จริงทุกวิธีการภาวนานะมันไม่ใช่สุขตลอดไม่ใช่ดีตลอดไม่สงบตลอดนะแต่คนที่จะภาวนาเคนที่ตั้งใจปฏิบัตินานๆเนี่ยอจะมารู้สึกชื่นชมนะเออชื่นชมที่บางคนเห็นหน้ากันมาหลายปี้านะชื่นชมนะหรือบางคนก็อาจจะเพิ่งเห็นไม่กี่ เดือนแต่ก็เห็นบ่อยๆเนี่ยก็ชื่นชมนะซึ่งเพราะว่าเราเห็นนักภาวนาแบบมาชิมลองเนี่ยเยอ ะ, ะมาลองดูเป็นแบบไหนนะถ้าดีก็จะปฏิบัติต่อถ้าไม่ดีก็เลิกนะถ้าสนุกซาสบายก็ดีก็ชอบก็อยูดต่อแต่ถ้าเบื่อไม่สบายเลยก็ไปอนนะอันนี้ภาวนาเหมือนชิมนะชิมดูแล้วไม่อร่อยนะไม่เอาดีกว่านะ แต่จริงการปฏิบัติจริงๆนะมันไม่ใช่ว่ามันจะเอาความอร่อยเอาความสนุกเอาความเพลินนะแต่ปฏิบัติจริงๆเนี่ยเพื่อเห็นกิเลสนะปฏิบัติจริงๆเนี่ยเพื่อเห็นทุกข์นะเพราะพอเราปฏิบัติแล้วมันเห็นกิเลสนะกิเลสมันจะหลอกได้น้อยลงปฏิบัติแล้วมันเห็นทุกขนะ์นยมันจะไม่เป็นทุกข์นะไม่ใช่ว่าไม่เป็นทุกข์ตลอดเวลานะ แต่เมื่ อ, อไดที่เห็นนะมันก็ไม่เป็นเมื่ อ, อร่ที่ไม่เห็นมันก็เข้าไปเป็นเนะี่ยมันก็ปฏิบัติเพื่อตรงนี้แหละเพื่อเห็นกิเลสนะกิเลสจะได้หลอกไม่ได้นะเพื่อเห็นทุกนะจะได้ไม่เข้าไปจมในความทุกนะจะได้พ้นทุกเนะี่ยทำแค่นี้ในเองนะนะนี่คือการปฏิบัติซึ่งบางทีมันก็เหมือนมันก็ต้องมีทั้งอารมณ์ที่มัน ดีบ้างไม่ดีบ้างนะสุขบ้างทุกบ้างสงบบ้างวุ่นวายบ้างนะกิเลสบ้างนะกุศลบ้างนะแต่ถ้าเรามองว่าเป็นเรื่องธรรมดานะเป็นแบบนี้นั่นแหละนะอารมณ์มันก็เป็นแบบนี้นะจิตใจก็เป็นแบบนี้นั่นแหละนะหน้าที่เราก็เพียงแค่เออฝึกนะฝึกรู้นะแล้วก็อยู่กับอารมณ์ต่างๆให้ได้นะคำว่าอยู่ในที่นี้หมายถึงว่ามีสติ อยู่กับเขาให้ไดนะ้เหมือนกับเราอยู่กับสถานการณ์ชีวิตของเราให้ได้นะนะเวลาเกิดปัญหาในการงานในครอบครัวนะเราก็พยายามที่จะแก้ปัญหาอยู่กับตรงนั้นให้ได้นะไม่หนีปัญหานะไม่ปัดปัญหาเลยปรนะมาณนั้นคือเราอยู่นะค่อยๆแก้ไปค่อยๆ ค, คิดไปค่อยๆทำไปการที่เราอยู่กับสภาวะ อาการหรืออารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นก็นเหมือนกันนะก็คือค่อยๆดูไปนะเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆเข้าใจค่อยๆจับทางก็ได้นะมันก็จะวางใจได้ดีขึ้นเรื่อยๆเนาะคือสิ่งที่เราก็มาฝึกกันเนาะแล้วก็ที่จริงมันก็ดีมากนะที่เรามาฝึกกันเป็นเพื่อนกันนะอยู่ด้วยกันสามสิบสี่สิบคนเนะี่ยมันมันอุ่นใจนะนะ่ะ เหมือนเดินทางไกลด้วยกันนะคือถ้าเดินคนเดียวเดินไกลๆเดินขึ้นเขาเนี่ยมันเหนื่อยมากนะมันท้อง่ายนะแต่ถ้าเดินไปด้วยกันในใดคนเนี่ยอืมบางทีตอนง่วงๆนะให้มันดูเพื่อนที่ง่วงกว่าเรายงแล้วมันจะเห็นว่าเออคนที่เขาหลับเป็นแบบนั้นนะเราจะอยากหลับแบบนั้นหรอใช่ไหมลองเราง่วงลองไปดูคนที่หลับนะอืม ดับก็อายเขานั่นเนี่ยอืมคนอื่นเขาเห็นหมดเลยนะนแต่เขาไม่พูดเฉยๆนยะ่าะอืมหรือบางทีขี้เกียจนะว่านั่งพักนะอยากจะนั่งพักนะดูคนที่เขานั่งพักกันนะเออถ้าเราไปนั่งพักเพบบินมทันมันก็คนอื่นเขาจะมองยังไงน่าอย่างนนะี้ใช่ไหมก็ดูดูตัวอย่างบางทีเขาก็เผลอไปบ้างลงไปบ้างไม่ใช่แปลว่าไม่ดีนะอ่แต่เพื่อน เออเราตั้งใจมาปฏิบัติันนะเนี่ยจะมานอนดับได้ไงนะจะมาพักอะไรนานๆ น, นะแต่ถ้าพักจากการเดินนั่งก็ให้ให้รู้สึกตัวไว้นะให้รู้สึกตัวไว้นะขยับเล็กๆน้อยๆบ้างก็ได้นะแต่หยบแบบนั่งมือนั่งใจลอยอะไรเนี่ยนะนะคือนั่งแล้วขยับรู้สึกตัวเบาๆก็ได้นะแต่บางคนพอพักแล้วก็เหมือนปล่อยเลยปล่อยนะ ปอยอารมณ์นะเหมือนสังกระตายก็มีนะบางคนออคือโอ้เหนื่อยเนืยไม่ไหวละเนี่ยเนี่ยคือเราก็อย่าไปปล่อยลามแบบนั้นเนาะนี่คือเราก็มีเพื่อนนะก็ดูตัวอย่างเพื่อนที่เขาตั้งใจปฏิบัตินะก็เอามาเป็นกําลังใจดูตัวอย่างเพื่อนที่บางทีก็อาจจะเผลอไปบ้างนะก็เออเตือนตัวเองเออ เออเราเป็นแบบนั้นมันก็ไม่ดีนะอา่าต้องเตือนแต่เองเลยเนะี่ยเราก็จะได้มีกำลังใจในการปฏิบัติเนาะแล้วก็แล้วก็พยายามทาแบบทําไปเรื่อยๆเนาะอย่าไปคาดหวังว่าห้าหกวันที่อยู่นี้มันจะต้องได้อะไรต้องละอะไรได้ต้องไม่เป็นแบบนี้แล้วเนะี่ยอย่าไปคาดคั้นเกินไปนะ แต่เราพยายามตั้งใจทำให้มันดีที่สุดนะตั้งใจปฏิบัติให้มากที่สุดนะส่วนมันจะเข้าใจอะไรมันจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะปล่อยให้เป็นเรื่องของผลที่มันจะเกิดขึ้นนะหน้าที่เราคือเรามาทำเหตุให้มันดีที่สุดโดยการนี่แหละพยายามมันรู้สึกตัวนะพยายามรู้ทันกิเลสนี่แหละให้มากที่สุดนะส่วนผลนะมันก็เกิดขึ้นอยู่ทุกขณะที่เรารู้สึกตัวแล้วนะ ผลก็เกิดขึ้นอยู่ทุกขณะที่เรารล้กิเลสแล้วนะแต่บางทีเราเองไปคิดว่ามันต้องเอาต้องได้อย่างงั้นต้องได้อย่างงี้ต้องรู้อย่างงั้นต้องอย่างนี้นะบางทีมันก็บางทีมันก็ไม่ใช่จะเป็นอย่างที่เราอยากเนาะนะนะเราก็ให้สนุกในการปฏิบัตินะนะให้กำลังใจตัวเราเองบ้างนะคือที่จริงคนที่ตั้งใจปฏิบัตินะก็เป็นการให้กำลังใจเพื่อนนักปฏิบัติคนอื่นเหมือนกันเนาะ อย่างเพราะอาตมานะเป็นพระเนะเป็นแม่ชีนนะมีญาโยมมาปฏิบัติเนี่ยพวกเราก็มีกําลังใจนะอ่าได้มาร่วมกันปฏิบัติเนะี่ยแม้บางทีก็อาจจะมีงานอย่างอื่นบ้างนะอ่าแต่ถ้าพอจะวางงานอย่างอื่นได้ก็คงไม่ไปนะก็ทําปฏิบัติเป็นเพื่อนก็มีกําลังใจนะแล้วก็รู้สึกเออรู้สึกบรรยากาศเวลามีคอร์สคนมาปฏิบัติเนะี่ยรู้สึก มันดีนะมันดีที่เราได้มาช่วยกันดูแลสถานที่ตรงนี้แล้วก็เราก็ได้มาช่วยกันใช้สถานที่ตรงนี้เนาะแล้วก็ใช้เวลานะในการที่เราได้มาทำสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าสิ่งที่น้อยคนจะทำอะนอน้อยคนที่จะมาปฏิบัติธรรมจริงๆนะบางคนมาวัดคือมาทาบุญนะ่ะ หรือรอันนี้ก็วัดหลายที่ก็กลายเป็นที่ท่องเที่ยวนี้เนาะ ม, มาเป็นที่ท่องเที่ยวเป็นที่ทำบุญนะแต่เรามาวัดเพื่อขจัดกิเลสจริงๆเนี่ยมาว่าเป็นสิ่งที่ที่มันดีมากนะแล้วเราก็พยายามทำจริงๆแม้มันจะไม่ได้สนุกทุกตลอดเวลาแม้มันจะมีความเบื่อความง่วงบ้างนะแต่เราเองก็ยัง พยายามที่จะอยู่กับมันให้ได้พยายามที่ฝึกตัวเองอยู่เสมอเนี่ยมาก็รู้สึกชื่นชมนะชื่นชมแล้วก็รู้สึกชื่นใจที่ที่พวกเรามาทำความเพียรกันตรงนี้เนาะเพราะว่าสด า, าตรงนี้นะมีชื่อนะชื่อว่าสด า, าจงเร่งเพียนนะมาสด า, าตรงนี้แล้วขี้เกียจไม่ได้นะเขาบอกให้จงเร่งเพียนนะเอมอมาขี้เกียจไม่ได้ มาอยู่ที่นี่ก็เหมือนกันนะที่นี่ชื่ออาสมวิทยธรรมนะอืแต่ตอนนี้กําลังจะเปลี่ยนชื่อเป็นที่พักสงวิริยธรรมนะเพราะว่าไปเดินเรื่องนะทําที่พักสงศ์เพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องความมั่นคงในที่อยู่อาศัย <c oughs> เลยต้องเปลี่ยนนะเ <c oughs> พราะเขาบอกไปหาสํานักพูดไปหาเจ้าหน้าอําเภอก็บอกอาสมมันเหมือนฤๅษีอืาสมฤๅษีนะ บางทีก็มีโยมนะขับรถมาเห็นป้ายอาสมนะเข้ามาพอเข้ามาเจอพระล้ผิดหวังเลยคิดว่าจะมาดูดวงจากฤกษ์สกับฤกษ์สีแอือก็เลยต อ, อาจจะต้องไม่ได้ขอญาตอาจารย์พลนะอือาจารย์พลตั้งชื่อว่าอาสมนะไม่รู้จะไปขอญาติยังไงนะก็ขอเปลี่ยนเป็นที่พักสงวิยาธรรม้วกันนะก็เพิ่งไปเดินเรื่องวันนี้ละนะไปเดินเรื่อง อเป็นเดือนนะเดือนสองเดือนเนี้ยบุญสำเรื่องทาเอกสารเรื่องขอตั้งที่พักสงเรื่องเจราจากับนั่นนี่นะวันนี้ก็ไปเดินเรื่องเพื่อจะทำให้มันให้มันเป็นความมั่นคงในการที่เราอยู่ก็สบายใจนะคนมาอยู่ก็สบายใจหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่างๆก็สบายใจว่าเออมันมีความถูกต้องไม่ใช่เป็นความเถือนหรือว่าทำอะไรที่ผิดๆแบบนี้เนาะก็ ก็คือตอนนี้ก็ยังชื่อว่าวิทยธรรมเหมือนเดิมนะวิทยธรรมก็คือการมาทําความเพียร น, นั่นแหละนะธรรมะในการที่ภาคเพียนนะให้มีธรรมะมากขึ้ น, นเรื่อยๆนะนะั่นแ่ละคือเรามาอยู่ตรงนี้เนาะอืมขี้เกียจไม่ได้นะต้องทําความเพียร น, นะแต่ก็ต้องทําความเพียรอย่าให้มันเพียนนะอืม บางคนตั้งใจมากเกินไปมันจะเพี้ยนอนะืมคือความเพียนไม่ใช่ไปว่าทำด้วยความเคร่งเครียดนะอ่านะทำความเพียนแต่ทำด้วยความผ่อนคลายนะทำด้วยการที่ไม่ใช่ทำเพื่อจะเอานะอ่านะเพราะไม่งั้นมันจะเพี้ยนนะบางคนทำความเพียนมากเนะี่ยเพี้ยนไปจ้องไปอยากได้นะไปบังคับไปกดข่มอะไรนะ แต่ให้เราทำความเพียรด้วยความผ่อนคลายนะแต่ความเพียรคือความสม่าเสมอนะที่จริงความเพียรมาอยากจะแปลว่าคือการที่ทำแบบสม่าเสมอสม่าเสมอนะไม่ว่าเราจะปฏิบัติในรูปแบบก็ตามเราจะอยู่นอกรูปแบบก็ตามหรือแม้แต่บางทีเราใช้ชีวิตปกติพูดคุยก็ตามน ะ, ะบางทีก็มีพูดเล่นมีนั่นมีนี่บ้างแต่จริงก็ ไม่ได้ว่าจะไปจริงจังอะไรมากเนะเนีก็คือแต่ก็ยังมีสติรู้ตัวในการพูดคุยในการทำงานในการใช้ชีวิตต่างๆคือมันเป็นความเพียรที่ที่สม่าเสมอนะนอะสม่าเสมอไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยคือการใช้ชีวิตอย่างทำความเพียร น, นะแต่ก็แต่การทำในรูปแบบมันก็จะช่วยให้เราได้ได้มีกรอบได้มี รูปแบบที่มันชัดเจนขึ้นเนาะมันก็จะทําให้เราได้เห็นอารมณ์เห็นความคิดได้ชัดขึ้นนะบางทีไปทํางานบางทีก็โอกาสที่จะหลงมันก็มีมากเวลาไปพูดคุยนะโอกาสที่จะลืมตัวนะมันก็มีได้เหมือนกันแต่เวลาปฏิบัติเองก็ต้องระวังเหมือนกันนะบางทีอิทธิบทถ้ามันแบบถ้ามันแบบเดิมๆนานๆแล้วมัน แ้วมันเบื่อแล้วมันอะไรมันก็จะทําให้มันไปมันก็ทแบบําแบบทําแบบทําแต่ท่านะ่เคยรู้จักไหมเดินก็เดินจงกรมนะเก็บมือนะนั่งก็ยกมือสิบสี่จังหวะวนไปวนมานะแต่บางทีมันทําแต่ท่านะแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันเริ่มทําแต่ท่าไปแล้วเนะี่ยจิตไม่ค่อยมีสติไม่มีสมาธิเลยนะบางทีหยุดบ้างนะเบรกบ้างนะ ตั้งหลักใหม่บ้างนอหยุดเออยกมือไปมันไม่ค่อยได้อะไรเลยเนี่ยหยุดมันบ้างนะตบขาตั้งหลักใหม่นะเริ่มใหม่นะหรือเดินจงกลมมันรู้สึกเดินไปแบบเหมือนเดินเที่ยวเลยนะเที่ยวไปในความคิดนะเที่ยวไปในอารมณ์เลยนะหรือเดินแบบเดินออกกัะ้งกายเฉยๆนะบางทีก็หยุดมันบ้างอ้อาวเดี๋ยวตั้ง กลับมารู้สึกตัวในการหยุดในการยืนก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปเดินใหม่เนาะคืออางทีก็ต้องเปลี่ยนแบบนี้บ้างนะหยุดบ้างเบรกบ้างตั้งหลักใหม่บ้างนะมันจะได้ไม่เดินฟีฟีนะไม่ใช่ยกมือฟีฟีนะอมืมันจะได้มีสติเข้าไปอยู่ในการกระทําสิ่งต่างๆด้วยนะก็อ่ ะ, อะพอสมควรนะอ่ะกากางพระพร้อมกันนะ